พ ร, ระธรรมเทศนาแผ่นที่100ลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่18กุมภาพันธ์2560มีชื่อเรื่องว่าสังหารก่อนสังายาาวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18กลกุมภาพันธ์พุทธศักราช2560 พระในวัดของเรา44รูปแล้วก็ลงมาชั้น32รูปวันนี้อากาศในวัดของเราก็รู้สึกว่ายัางเย็นเ ย, ย็นอย่างต่อเนื่องแต่ก็กลางวันรู้สึกว่าร้อนขึ้นมาอุ่นขึ้นมาแล้วกลางวันแต่กลางคืนรู้สึกว่ายัางเย็นยังเย็นอยู่ งานในวัดของเราก็ซ่อมแซมไปเรื่อยๆยังยังทำไปเรื่อยๆกำแพงถนนสะพานต่อไปก็คงจะทำที่คอสะพานมันชำรุดนะแล้วก็วันที่ยี่สิบเอ็ดหลวงพ่อก็คงจะได้ไปยก พระที่วัดรวมธรรมวัดของท่านรัตนะยกเป็นพระหินหินขาวก็ใหญ่เท่าๆกับองค์นี้ละองค์พระประธานอยู่ที่พวกเราเห็นอยู่เดียวนี้แหละหน้าตักประมาณสักสองเมตรต้องใช้รถเคนนะ็นยกนะพอฉั้นยังนันเสร็จแล้วก็ค ง, งจะยกละวันที่ย1สบเ็ดนะ แล้วก็วันที่ยี่สิบจะมีทอดภาคป่าสามัคคีที่โรงเรียนโรงเรียนบ้านตาดเป็นโรงเรียนที่หลวงตาอุปถัมหลวงตาสร้างอาคารมาตั้งสามสี่สิบปีแล้วก็รู้สึกว่าหลวงตาจุดติดนิพพานไปโรงเรียนก็สุดโสมไปเขาก็ <c oughs> ทั้งครูบาอาจารย์ทั้งชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้านแล้วเขาก็มาขอร้องขอให้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์เข้าไปช่วยบำรงทนุบำรงสิ่งที่สุดโทร น, นวันที่22หลวงพ่อเองก็ได้บอกกล่าวพี่ๆน้องๆศรัทธาญาติโยมผู้ที่เข้าไปกราบเคารพคารวะในองค์หลวงตา ไปอยู่ไปพักปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตาดแล้วก็ได้รับความสะดวกสบายจากพี่น้องชาวบ้านตาดให้การสนับส น, นุนแต่คราวนี้เขามีความจำเป็นพวกเราที่อยู่ข้างนอกพอที่จะไปช่วยเหลือกันได้พวกเราก็คงจะเข้าไปทอดผ้าป่ารวมกันในพี่ๆน้องๆเพราะว่าถือว่าบ้านตาดเป็นบ้านของพ่อ เป็นบ้านของปู่ของตาเป็นบ้านของหลวงตาของเราเราในฐานะลูกหลานมีอะไรเกิดขึ้นในจุดนั้นเราก็ควรจะหันหน้าเขาไปหากันแล้วก็ธนุบำรุงช่วยเหลือสิ่งที่พอจะพอที่จะช่วยเหลือทำขึ้นมาได้นะวันที่22องนั่นแหละคงจะได้พบได้เจอกันในพี่พีน้องๆ ทอดผ้าป่าสามัคคีให้กับโรงเรียนประจำหมู่บ้านของเขาในช่วงนี้หลวงพ่อถึงจะอยู่เป็นพระป่าพร ะ, ะดงอยู่ในป่าดงพงไพรห่างไกลจากากรุงเทพมหานครตั้งเจ็ดแปดร้อยกิโลนะแต่ก็ได้ยินทั้งอาณาจักร ทั้งพุทธจักรพุทธศาสนาแล้วก็อาณาจักรตามไม่จริงพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นไม่ใช่แต่ของพระนะพระพุทธเจ้าท่นานไม่ได้มอบให้กับพระอย่างเดียวท่านมอบให้พุทธบริษัทสีอุบาสกอุบาสิกาพิกษุนีพิกษุ แต่พิกุลีหมดไปแล้วท่านก็เลยเอาส ม, มเณรเข้ามาแทนแต่นี่สมณเณรก็ร้อยล้อเต็มทนเหมือนกันเพราะว่าทางกฎหมายบ้านเมืองเขาให้คนในชาติเรียนหนังสือจนถึงมหก็เลยทำให้สมณเณรขาดมีแต่สมณเณรบวชเข้ามาแล้วก็เรียนหนังสืออยู่ในปริยัติธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ในวัดของเราก รู้สึกว่าขาดสัมมเอ็มาหลายปีอันนี้ก็คือพุทธบริษัท4ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านวางาศาสนาก็ท่านก็ไม่ได้วางให้ชุมชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งบุคคลนั้นถ้าหากว่ามีความเห็นมีความเห็นแตกแตกต่างจากพระธรรมคำสอนคือพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี้ก็ไม่ใช่ว่า คนผู้ใดใครผู้หนึ่งประเด็ดขึ้นมาโดยเร็ววันไม่ใช่มาตั้งแต่ประวัติกมาตั้งแต่ก่อนเก่าจากนั้นก็มาถึงกรุงศรีอยุธยาพระไตรปิฎกกลรู้สึกว่าเฮอล่อยหลอต่อมาก็รัชการที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่กันนี่แหละถ้าเราศึกษาในพระไตรปิฎกเขาจะบันทึกไว้หมดในคํานําของพระไตรปิฎกความเป็นมาเพราะนั้นพระไตรปิฎกไม่ใช่ว่ามัน ไม่ใช่เกิดขึ้นมาประเดี๋ยวประดาวในเมื่อเอจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพามาหาเถระในยุคเก่าๆท่านก็รับรองมามาถึงยุคเราเราก็ต้องศึกษ า, าแล้วก็ปฏิบัติตามาถ้าหากว่าเร า, เาไม่พอใจในปลายไตรปิฎกเราก็ไม่ควรจะอยู่ในาศาสนาควรจะไปตั้งลัทธิขึ้นมาเลย เป็นลทัทธิหนึ่งอแตอ่อย่าไปอ้างอิงพุทธศาสนาเท่านั้นแหละถ้าเรายัางอ้างอิงพุทธศาสนาอยู่เขาวาเรียนแบบก็ไม่น่าจะถูกนะเพราะพระธรรมคําสอนของพุทธทเนี่ยมีอยู่แล้วใครจะไปเฉลียวฉลาดอย่างไงมันก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะเหอหมันเคยมีมาไหมแต่หลวงพ่อจะอ้างอิงถึง ประวัติศาสตร์บ่อยครั้งนะเอ่ออ่างถึงชาดกบ้างอ่างถึงในครั้งพุทธการบ้างในพระไตรปิฎกนะอันนี้เคยมีมาเหมือนกันนะเออสมัยพระญาธรรมโสกราชพระพุทธเจ้าปริณพพานไปแล้วสยสาสิกว่าปีพระพุทธเจ้าปริณพพานไปก็มีหละมีความคิดเห็นในยุคสมัยนั้น หมายพญาธรรมโสกราชท่านเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมากแปลว่าเจริญรุ่งเรืองมากในช่วงที่พญาธรรมโสกราชอุบัติเรกว่าเกิดขึ้นพอพระ อ, อ, องค์ปราบหัวเมืองเล็กเมืองน้อยทั้งหลายพระ อ, องค์เป็นใหญ่ในประเทศอินเดียในยุคสมัยนั้น จากนั้นพระองค์ก็ได้ธนุบำลุงพระพุทธศาสนาได้สร้างท้าวลวัตถุถึง 8,000 มืนสี่พชิ้นในยุคสมัยนั้นตามประวัติศาสตร์นะเราก็ไม่ได้เกิดในยุคสมัยนั้นเพราะพระพุทธเจ้าพระนิพพานไป330กว่าปีเนะี่ยเดี๋ยวนี้ก็อ 2,500 60ปนะีห่างกันมากอันนี้เราเราพูดตามหลัก ประวัติศาสตร์ที่เขาจารึกไว้เป็นตำรับตำลาเราก็พูดตามนั้นแต่นีพ้พระเจ้าธรรมโศกราเนี่ยทำธนุบำรุงพุทธศาสนาสร้างท้าวรวัตถุพระองค์เห็นว่าออพระสงฆ์ทำไมพระสงฆ์เป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นเบาเหลืองเป็นบวเป็นตัวเหลือง ท่านก็ทราบว่าทําไมเพราะพระสงฆ์ขาดสารอาหารอ้าวทาไมเราปกครองถึงขนาดนี้พระสงฆ์จึงขาดสารอาหารได้อ้าวท่านก็ทาเป็นถังม้ากใหญ่ไว้ในจุดที่พระสงฆ์จะไปรับได้ท่านหาน้ําพึ่งไปเทเทเทเทลงในถังแล้วก็เอานมสดเทเทเทเทลงในถังแล้วก็นี่แหละใครไปเปิด ถวายพระสงฆ์ใดๆขนาดนั้นแหละท่านดูธ น, นุบำบหลวงพระพุทธศาสนานะเอต่อมาที่ในาศาสนาอื่นาศาสนาอื่นในยุคสมัพวกชีพงชีปวยมันมีเยอะแยะไปหมดนะตอนนี้ก็ขาดการบำธนุบำบหลงรักษาในาศาสนาเขาเขาก็ปลอมแปลงตัวเข้ามาบวชในพุทธศาสนาทีเอแต่ว่าเขาปลอมเฉยๆแปลงเฉยๆนะ แต่จิตใจของเขานะ่ยมันไม่ได้เอาเอาเข้ามาด้วยอย่างศาสานาอย่างศาสนาที่ว่าแพ่งพระอาทิตย์อย่างนเนะ้ยตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นมาเลยเขาจะมองพระอาทิตย์มองทั้งวันเลยเ อ, อันนี้ก็เนี่ยนะถึงเขาจะมาบวช อ, อยู่ในอยู่ในยูนิฟอร์มนี้นะอยู่ในยูน่ในฟอร์มของพระแต่ว่าแนวความคิดของเขาเนะ่ะเขาก็ยังแพ่งมองพระอาทิตย์อย่างเก่า วางกลุงก็บูชาไฟก็ดังไฟทั้งวันแต่ก็อยู่ในอยู่ในยูยนิฟอร์มของพระอีกเหมือนกันเพราะเขาปลอมเข้ามาบวชสมัยนั้นคงจะไม่มีใบสุทธิเนี่ยว่ามีใบอะไรรับรองมั้งนี่แหละในศาสนาในครั้งพญาธรรมโสกราตตอนนี้ฝ่ายพระสงฆ์ที่เป็นผู้มีสีราจรวัตรตามขนบธรรมเนียมรู้ว่า ทำไมคนปลอมแปลงเข้ามาบวชต่งเยอะแยะไปหมดเลยเธอเนีไม่รู้จะจัดการยังไงไม่รู้จะทำยังไงเนี่แหละอันนี้มันต้องอาศัยอนณาจักรแล้วนะนเธอเไม่ใช่พุทธจักรจับจำกำจัดทีเดียวไม่ได้ต้องอาศัยทางฝ่ายบ้านเมือง เ, ออเข้ามาช่วยเยบอกคำว่าพุทธบริษนะัทสี่เนี่ยคือพิกคืออุบาสกอุบาสิกาเนะี่ยต้องเข้ามาช่วยแล้วนะจุดนี้ น, ะนี่แหละ ท่นี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็อูรู้ว่ามันจะทำยังไงเพราะสตราอาวุธก็ไม่มีใช่ไหมจะทำยังไงพระจะไปต่อยไปตีไปฆ่ า, าไปจับไม้ใส่โทษก็ไม่ได้เพียงแต่องค์นี้มันเพชรมันไม่ใช่บวชม า, าปลอมแปลงกันก็มาบวชลักษณะอย่างนั้นหละแต่นี้ก็พระสงฆ์ทั้งหลายก็ไปกราบไปทูลพระเจ้ารมาโกราช พระยาธรรมโสกราชก็ไม่รู้จะทํำยังไงจะเข้ามาก็เห็นแต่พระใส่สีเหลืองใช่ไหมยู่ยืนดูในิฟอร์มท่านก็เค า, ารพพระอยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่รู้จะทํำยังไงหเห็นแล้วก็กกอักขรวนนะพูดง่ายๆถ้าจะว่าพระไม่ดีท่านก็ไม่รู้ว่าองค์ไหนดีองค์ไหนไม่ดีถ้าว่าไปจํากําจัดพระดีออกไปซะกลัวจะเป็นบาปเองเนลยแล้วท่านเคารพในผ้ากาสาวพัดผ้าสีเหลืองเเนี่ยอ ผ้าของพระพุทธเจ้าผ้าสีเหลืองคือธงชัยเป็นธงชัยของพระพุทธศาสนาเป็นภาค ก, กาสาวะเป็นธงชัยของพระพุทธเจ้าพระหันท่านก็ไม่กล้าทำเพราะในส่วนก็นอึดก็กอึกก็อักอกัวนพอสมควรแต่ไม่รู้จะทํำยังไงวันหนึ่งท่านก็เลยให้อำมาตนะอำมาตผู้มีผู้คล้ายๆวาดผึ่งเลี้ยวฉลัด สามารถที่จะพูดอะไรได้แทนพระ อ, องค์เนี่ยท่านก็เอ่ยไปไ ป, ไปดูไปตรวจตราดูซิว่าพระสงฆ์เนี่ยทำไมทําไมจึงไม่ลงอโบสถ์ร่วมกันทําไมเป็นอย่างนี้ไปถามดูสิไปไปดูคล้ายๆว่าพระญาธรรมโสกราตเนี่ยมอบอํานาจให้ให้ไปตรวจไปตรวจพระสงฆ์ไปดูสิว่าเป็นยังไงพระสงฆ์จึง ไม่ลงอุโบสถร่วมกันทำไมจึงเป็นหลายฝักหลายฝ่ายละเกินมันแตกแยกสำมกีกันด้วยอะไรไปดูเจ้ลักษณะอย่างนั้นะแะตอนนี้อํมมาตพูดด้วกับไปไปกับไปปรึกษากับอํมมาศอีกคนหนึ่งเอ๊ะในเมื่อผมมีอำนาจพระเจ้าเป็นดินมอบอำนาจมาแล้วเนี่ยแล้วจะให้ผมทำยังไงเอ่ออมมาตพวกนั้นับคงจะเป็นอแบบอารมโมโหกันเอ้า ถ้าไปถามว่าไม่ฟังไม่ลงอำนาจทำไมไม่ลงอุโบสถทำไมไม่พร้อมเพียงส ม, มคัครคีใครเป็นเพราะอะไรถ้าใครขัดขืนก็ตัดคอเลยแหละเพราะอานาจสมัยนั้นาราชามีอำนาจนี่ยอำมาตย์พวกนี้ก็ได้รับบัญชามาแล้วกันเข้าไปถามพระคคดท่านทำไมจึงไม่ลงอุโบสถด้วยกัน พระเทลาก็โอ้จะไปลงโบสถ์ได้ยังไงเพราะว่าผู้ที่เข้ามาบวชนะ่ะมันไม่ใช่บวชไม่ได้เข้ามาบวชไม่ได้สงฆ์ไม่ได้รับรองเนะ่ยเออใครๆผมมาปองผมแล้วก็ใส่ผ้าเหลืองเข้ามาเลยกร็รู้ๆกันอยู่เนะี่ยจะไปให้ลงโบสถ์ได้ยังไงเป็นผู้ไม่มีศีลพระสงฆ์ยังไม่รับรองเออแล้วไม่ลงจริงเหรอใช่ไม่ลงลงไม่ได้พอไม่ลงเถอนชักดาบตัดคอพระเทละอง์ องค์ที่หนึ่งเลยเหมืนเดิมเลยไปชี้องค์ที่สององค์ที่สองก็ไม่ล้องหมดพราะท่านเป็นพระอาหารเนี่ยใช่ไหมละ่ะก็ตัดคอตัดคอตัดคออ้พระตายไปเกือบสองร้อเหมือนกันนะอในอันนี้ในพใ น, ใ น, ใ น, ใ น, ในตำรานะ่ะนี่แหละไม่ใช่แต่ยุคของเราสมัยของเรานะที่มันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอันนี้หลวงพ่อพูดตามประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาให้พวกเราได้ฟังนะ จนไปถึงน้องชายของพระยาธรรมโสกราชท่านภาวนาท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เอกเหมือนกันท่านระลึกตาโอโทโตายอมันฆ่าพระมันรู้จักจบเลยท่านก็เลยเข้าไปนั่งขวางนเลยท่านเข้าไปนั่งสกัดเลยเอาา่ออาหมัดเมามันคนนี้บาบดีเดือดคนนี้กรับพอไปเห็นอน้องชายพระยาธรรมโศกนั่งจิตส น, นั้นแหะเอะ พอว่าด้วยะเราเป็นใครลักษณะอย่างนั้นมาอันนั้นก็ได้ชักดาบเข้าในฝักเลยเดินหันหลังอ้าวเลยอแปลว่าไม่กล้าไม่กล้าตัดคอน้องชายของพญาธรรมโศกที่ที่ท่านบวชใช่ไหมหันอ้าวมาก็เข้ามากลายงานพญาธรรมโศกกัผมจัดการแล้วองค์ไหนไปลงอุโบโสถกับผมจัดการตัดคอะตายมากไหมเป็นเกือบร้อยสองร้อยครับโถตาย ทำยังไงทำทำได้ยังไงเราไม่ได้สั่งถึงขนาดนั้นนะเราให้ไปดูเฉยๆว่าเป็นยังไงไปสอบถามทาไมไปทำเกินกว่าที่เราสั่งอผลีนทุ อ, อ, อพญาธรรมโศกโอ้โหตายท่านก็เคารพพระสงฆ์อยู่แล้วใช่ไหมท่านก็เข้ามากราบพระเถระที่ยังที่ยังเหลืออยู่โอ้ยใครจะเป็นบาปเป็นกรรมหนาระคุณท่านผมก็ไม่ได้สั่ง แต่พระสงฆ์ก็แตกเป็นสองฝ่ายอีกเหมือนกันบอกว่าเนี่ยถ้าพระเจ้าแผ่นดินไม่สั่งอํามาตย์คนนั้นจะไปตัดคอพระได้ยังไงแต่คนหนึ่งบอกเออคนหนึ่งพระกลุ่มหนึ่งเอออํามาตย์คงจะทําเกินเกินกว่าที่พระเจ้าแผ่นดินสั่งอืนี่แหละผลที่สุดก็เลยไม่ไม่มีใครพูดจ ะ, จะตัดชิ้นจะผิดหรือถูกเลยนะนะมันไม่ใช่ธรรมดานะพวกเรานะ ผลที่สุดก็ได้เดือดร้อนไปถึงพระโมคขรีบุตรติดสะเทละที่อยู่บนภูเขาเอไปกราบพระราทนาท่านท่านก็ได้ลงมาเป็นพระหรหันต์ท่านก็เป็นพระหรหันต์เหมือนกันผลที่สุดก็เลยเออเอาจะทํำยังไงจะสังขายนายอย่างไรในพระสมเป็นแสนแสนองค์นข่าวนั้นฝัง่ฝงฝนุบรรดา้าหกแสนองค์มนั้นไม่ใช่ธรรมดาเลยจวัดอโศการาม วัดชื่อ ว, วัดอสูกรามพัญาธรรมโศกนะพอในสุดพโมคครีบุตตดติดสะเทระเนี่ยท่านก็วางนะท่านเป็นพระหันนะท่านฉลาดใช่ใชไหนะท่านก็ว่าเอาเอ า, เอาผ้าขา ว, วเย็บติดติดกันล้อมรอบหมดขณะตัวยุงก็ไม่ให้มันเข้าได้พปลักษณะอย่างนั้นแหละล้อมรอบหมดนะทหารขยูเป็นทั้งนอกข้างใน ก็รี่พระสงฆ์ก็อยู่ข้างในน่ยหหกแสนองค์ใช่ไหมก็เตรียมผ้าขาวกางเกงไว้พร้อมหมดเลยเอพอเสร็จแล้วก็คงจะประกาศขึ้นมาแล้วอา้าวใครมีความเห็นว่าอย่างไราตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วศูนย์นรกสวรรค์มีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ใครจะบูชาไฟอใครบูชาพระอาทิตย์เออกลุ่มไหนให้ไปอยู่กลุ่มของตนเองออท่านประกาศเพราะมันอยู่ในวัดใช่ไหมล่ะเอจะในคนกลุ่มนั้นก็คือความเห็นน่ยทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยอฝ่ายพระเนี่ยก็ไปอยู่กลุ่มของพระใช่ไหมฝ่ายศาสนาแต่ละศาสนาก็ไปอยู่กลุ่มของใครของเราแหละใช่ไหม คำว่าทํำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วบาบุญคุณโทษมีจริงมรรคผล น, ผนิพพานตามแนวแถวของพุทธะสอนอยังไงพวกนี้เป็นศึกษาในธรรมะถ้าก็ไปอยู่ในกลุ่มกลุ่มของพระใช่ไหะไอ้กลุ่มที่ศาสนาไอ้กวลเลกัวลัวลต์หนึ่งทั้งก็ไปอยู่ในกลุ่มของใครเพราะตามความเห็นของของคนกลุ่มของใครกลุ่มของเราเนี่ย พอจัดว่าเป็นกลุ่นสัดส่วนเอาทหารล้อมรอบพอจากนั้นทหารก็เข้าไปล้อมแต่ละกลุ่มละกลุ่มเอาไว้ผลในส่วนก็รู้อะไรเนี่ยอันนี้คือฝ่ายพระสงฆ์ฝ่ายพุทธศาสนาฝ่ายพระแท้เนี่ยอนี่ยนะความเห็นอย่างนี้คือความเห็นในระยะสัตย์ทุกสมุทัยนี่โรดมักศึกษาในฝ่ายธรรมะเนี่ยกลุ่มนี้ กลุ่มนี่ยนะ่บูชาไฟบังบูชายันบังดูดวงดูดาวบังเพ่งไฟบังเพ่งอะไรเป็นลือสีพวกนั่นนะมันมีจังเยอะแ ด, ด่ในยุคสมัยนั้นจากนั้นพระเจ้าปฐมินพระยาธรรมสุโโยนผ้าขาวผ้าขาวผ้าขาวให้ให้ศึกออกหมดไล่ออกหมดยังเหลือไว้แต่พระที่กลุ่มมีทิฏฐิคือความเห็นในพุทธศาสนา นี่แหละข่าวนั้นลเลยเทวาชำละอย่างอย่างใหญ่หลวงทีเดียวพระยาธรรมโสกราชนะอันนี้เราฟังเราดูในตำรานะอะท่านพูดเอาไว้จากนั้นพอชำละเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พระเจ้าเป็นดินเข้ามาทนุบำรุงจากนั้นพระสงฆ์กลุ่มนั้นก็เลยสังขายนามใหม่นะเคือตั้งหลักพระธรรมวินัยคือใครๆๆขัดเกลาพระธรรมวิใ น, ในัยให้รัด ก, กลุ่มขึ้นมา อย่างที่มันผ่านผ่านมาเนี่ยมัเสียหายลักษณะอย่างนั้นอ่ะนี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คืออาณาจักรอาณาจักรต้องเข้ามาช่วยในเมื่อขาวจาเป็นเข่าวที่มันจะต้องเข้ามาช่วยในยุคนี้สมัยนี้ก็หลวงพ่อว่านให้แต่ตตฝ่ายพระสงฆ์เป็นผู้ดูแลกันอย่างเดียวนะก็คงจะไม่เพียงพอทางบ้านเมืองกับเป็นพุทธ ถ้าศาสนาไม่ใช่ศาสนาของพระเป็นศาสนาของพุทธบริษัทสก็รู้อยู่แล้วนะพวกเราก็ต้องช่วยๆกันไหนอันไหนเพชอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรถูกต้องเป็นธรรมมันต้องหันหน้าเข้าหากันแล้วก็สำละสะสางาถ้าหาว่าตัวเองมีความคิด เ, เป็นแนวแขวตัวเองก็ไม่ควรจะอยู่ในพุทธศาสนา เพราะว่าพุทธศาสนาก็มีพระไตรปิฎกอยู่แล้วสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่แล้วศินมีเท่าไหร่วินัยมีเท่าไหร่พระสูตรพระว พ, พระอภิธรรมพระสูตรพระวินยัยพระอภิธรรมไตรปิฎกทั้งสมก็สมบูรณ์อยู่แล้วเจ้าฟ้าเจ้าไปรินยุคเก่าสมัยก่อนท่านก็รับรองมาบรรพโหรุ่ทั้งฝ่ายพระสงฆ์ก็ไม่รู้ว่ากี่รุ่นรับรองกันมาแต่มาถึงยุคของเราเนี่ย ทําไมไปคนละทิศคนละทางเนี่ยมันไม่น่าจะถูกมันกันนะหลวงพ่อว่านะอันนี้หลวงพ่ออยู่ในป่ารงพงไพรพอได้ยินหลวงพ่อกัอ็ไม่สบายใจในส่วนหนึ่งแล้วก็ทุกคนเข้ามาเพื่อสะสารด้วยเจตนาดีด้วยความหวังดีอย่าไปถือพักถือพวกสรุปแล้วก็คือให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีกัน ถ้าผู้ใดเห็นผิดกับจิตกับใจซะออพอเราอยู่ด้วยกัน เ, เราจะไปแผงเล็ดแผงเดชออกไปดันทุลังมันก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าประเทศนี้เมืองนี้เราอยู่ด้วยกันคนกลุ่มใหญ่มีความเห็นว่าอย่างไงถ้าคนกลุ่มใหญ่พาเห็นผิดเห็นผิดที่ตรงไหนก็มาออกม า, ออกมาแล้วคนกลุ่มใหญ่ก็ชี้แจงไปตามหลักพระธรรมพี่นาย ดัก ต, ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีไว้อย่างนี้แหละยืนหยัดยืนยันอย่างนี้พอพวกเรามายุคนี้สมัยนี้แล้วก็ไม่ใช่เราเกิดมาในยุคสมัยครั้งพุทธกาลถ่าว่าหลวงพ่ออินนะเกิดมาในสมัยครั้งพระพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อพระโอษฐ์ต่อพระภักของพระพุทธเจ้านะแต่หลวงพ่ออินยังไม่ตายเลย หลวงพ่ออินก็คงจะมายืนอย่างเฮ้ยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตัดอย่างนี้นะท่านพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอออย่างองค์ลุงตามหาบัวที่หลวงพ่อเคยอยู่กับท่านใช่ไหมเอ่ถ้าว่าใครพูดขึ้นมาเอ้ลุงตาไม่เคยพูดนะอย่างนี้ไงเอออันนี้แหละเราก็พูดได้ใช่ไหมอันนี้ต่างคนก็ต่างตั้งสองพันกว่าปีไม่รู้คนกี่รุ่นเออเราจะไปยืนยัดได้ยังไงว่างอันนี้คือพระพุทธเจ้าตรัสอันนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสเออแต่ว่า เราดูในหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความคลายกําหนัดเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนเป็นไปเพื่ อ, อ, อชําระกิเลสเป็นไปเพื่อประกอบกุลงามความดี น, ะนี่แหละให้พวกเราศึกษาในจุดนี้นะถ้าว่าคําไรก็ตามเท่าขึ้นมาแล้วนะมันไปตามหลักพระธรรมวินัย ตามหลักเหตุผลตามจริยธรรมในการอยู่ด้วยกันควรจะยอมรับได้หลวงพ่อว่านะไม่ใช่ว่าจะดันทุลังใครดันทุลังมันผลที่สุดก็มดพุทธศาสนาคนนั้นก็ลิดคนที่ก็ลิดคนนั้นก็รอนคนนั้นก็ตัดคนนี้ก็เติมเติมเข้าไปก็เติมแบบกิเลสเติมอยู่ตัดเข้าไปก็แบบกิเลสตัดใช่ไหมใครจะรับรองเลยว่าพระรหันธถพระรหันตัด เราก็พอจะยอมได้อพระลหันทุกวันเลยฉจนผมเป็นพระอหันข้าพเจ้าเป็นพระลหันเราก็ไม่มีใครที่จะรู้ได้อีกทีนีหนหนหน้หันหันหน้าหันหลังหรือหันซ้ายหันขวาหรือหันอะไรก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันเ อ, อเราก็ต้องฟังอีกเหมือนกัน อ, อทําตัวทําอ า, า, ากับกิยุทธการแสดงออกหรือว่าการอะไรเราเป็นปุถุชนเราก็ต้องฟังอีกเหมือนกันน่ะเออ ขนาดหอกเหินเดินฟ้าได้ออกมาพูดเอออันนั้นก็ยังอันนั้นก็ยังคิดอีกอืออาจจะเป็นโลกิยะชาญก็ได้อาจจะไม่ใช่โล ก, กุตระ ก, ก็ได้มันก็มีหลายแนวอีกเหมือนกันนะลูกหลานคณะสัตยาญาติโยม เ, เรื่องทิฏฐิเรื่องความเห็นจุดนี้นะ่ะเออวันนี้หลวงพ่อได้พูดแนวความคิดเห็นแนวความคิดแนวหนึ่งให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษานะแต่ถึงยังไงก็ตามนะให้มองตอนเองไว้ดีกว่า อย่าไปมองคนอื่นนะศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยท่า น, านก็ไม่ได้บอกให้บอกให้บอกให้ไกลนะสัปปะปาปัสสะกระนังหลักธรรมของพระพุทธเจ้านะสัปปะปาปัสสะกระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งกุสารลัตสูปสัมปดาการยังกุศล ทำจิตใจให้เป็นกุศลทำอย่างกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งสาจิตจะาจิตตะประโยรปาหนังทำจิตให้ผ่องใสทำจิตให้ผ่องแผ้วให้ทำจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเอตังพุทธานสาสนังนี่หละคือทมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าจะว่าไปน้อยนิดมีสามข้อ การไม่ทํำบาปทั้งปวงหนึ่งแล้วก็การยังกุศลทําจิตใจให้เป็นกุศลหนึ่งไม่ทําความชัวนะ่วจิตที่เป็นกุศลแล้วก็ทำำําสําระใจให้บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสหนึ่งนี่แหละสามประเด็นนะอันนี้คือนี่แหละคือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้ามีองค์เดียวใช่ไหมพระโคตมะทั้งหลายคําว่าทั้งหลายคํานึง่งนู้น ย้อนไปกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนองค์ท่านก็พูดอย่างนี้พร ะ, ะพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพกระองค์นะสัพปะ ป, ะ ป, ปัสสะอักรานังกุสารัสูปสัมปดาสาจิตตปริโยรปาหนังเอตังพุทธานศาสนังนี่แหละอันนี้ก็คือย่อออกมาแล้วการไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ยมันพูดได้แต่ว่าอะไรล่ะคิด เ, เป็นบาปหรือคิดเป็นบุญ การพูดเป็นบาปเพื่อการพูดเป็นบุญการทําเป็นบาปเพื่อการทําเป็นบุญเอมันต้องแยกออกทีเนี้ยอันไหนเป็นบาปอันไหนเป็นบุญมันเข้าโค่นเง่าแท้ๆก็คือนะการไม่ทํำบาปทั้งปวงหนึ่งนะอะแต่ทีปลายของมันดอกผลของมันเป็นยังไงอันนั้นมั น, มนยืดยาวเลยทีเนี้ยนะ นี่แหละหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธนะถ้าย่อเข้ามาก็ย่อสั้นถ้าขยายผลก็ขยายผลกว้างขวางได้นะเพราะนั้นพวกเราต้องรู้จักว่าส่วนไหนควรขยายผลส่วนไหนควรไหนเข้ามาหาโครนหาเงาเข้ามาหาเงาของพุทธศาสนาหาเงาของพระธรรมคำสอนของพุท ธ, ธนะนี่แหละอันนี้ให้พวกเราศึกษานะสรุปแล้วก็ให้มองให้มองตนเองอย่างที่ว่านะ อย่าไปมองคนอื่นมากจนเกินไปถึงจะพูดเออพูดวิจารไปกับพูดไปเมื่อมันมาพูดมาผ่านมาเกยเราก็ต้องพูดกันถ้าไม่พูดกันเฉลยกันเลยมันก็ความคิดความเห็นหนานาจิตต่งางนานาทัศนะมันก็ไปคนละทิศ ท, ทางถ้าเรามาพูดกันซะความคิดเห็นก็จะเข้ามาในจุดเดียวกันหรือใครมีความเห็นว่ายัางไงก็จะได้แสดงออกนะ แต่ความเห็นของหลวงพอ่อหลว ง, งพ่อมีความเห็นอย่างนี้นละลูกหลานเลยต่อไน้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนาฏณีนะ